นาฬิกาประเทนทร์ขออยู่ร่วมกัน สัมพันธ์สร้าง FN FM 90.25 MHz สวทนครพนมวันทิชาตและองค์ คำชี้แจงของพลเอก 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้มัน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 เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเอาข้อมูลจากทุกตรวจ โดยทหารจะ 2 ของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมา ออกมาเป็นกฎหมายมันถึงจะบันเทิงให้เขาได้ บ้านเดียวกันคุยกันไม่ได้บ้านพ่อแม่ลูกคุยไม่ได้กันคุยกันไม่ได้ 2 โน่นมีมา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 เราจะทำตามสัญญา. and How สมไอ้ ที่มี 9 ปีที่ผ่านมา กอง 2 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟัง 8 การอีสานม้วน น. ถึง น. ๆ ครับงานด้านความมั่นคงนั้นอย่าจะกราบเรียนว่าต้อง ถ้าท่านไม่ทําแล้วปล่อยให้มัน อะไรเรียกร้องผลๆเหล่านี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้น The my สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสํานักประชาสัมพันธ์ๆกันค่ะเวลา 8:00 น. 5:00 ถึงเวลา 8:30 น. และครั้งนี้ 3 ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะดิฉันรัตติภิพรรณขวดพุษาดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับ เรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วม กลับมาค่ะรายการอีสานม้วนซึนคืนความ อธิการจังหวัดนครราชสีมานายธงชัยลืออดลซึ่ง ค่ะวันครับขอบคุณนะ รักษาความสงบๆ ที่เรียกกันเป็นภาษา การ 3 ช่วงระยะเวลาด้วย 2 ก็เป็นช่วงที่จะ ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ 2558 นะถ้า เราไม่หันหน้าเข้าหากัน ชุมชนต่างๆเนี่ยเอ่อไฮไลท์ซึ่ง มาจนมา 30 มิถุนายนนะครับให้มา 20 จังหวัด กองครับภาคที่ 2 หรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคง ทำการนำเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิรูปทางการ โดยถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถือนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนหัวข้อหนึ่งนะครับของประเทศชาติมากกว่า การเสนอความเห็นในเรื่องนี้ก็เสมือน 5 6 เดือนๆคนใช่การเมืองมี การเมืองนี่ก็มีส่วนอย่าง จะ 3 ค่ะค่ะทํา 3 2 อาจจะทํา 3 อบต. ที่หมดวาระลงเนี่ยรวมทั้งสมาชิก 7 มีคุณภาพมีความรับผิด บางท่านอาจจะเห็นว่า เพื่อจะนําไป <owad Es> <S ing> 2 ถ้าเปิดที่มีการเลือกตั้ง <inal meantime> ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะที่ล้ายไปกว่านั้นกับ โครงการมหาสมรตําบลบ้านเกาะที่มีพื้นที่ เทศบาลตำบล 2555 ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้สามารถจัด เทศบาลของจหอก็จะเกิดความเสียหายต้องชด 57 เนี่ย ปรับปรุงครั้ง 58 นั่นก็จะไม่ ทำก็ประมาณได้มาแล้ว 1 ทำปีงบประมาณคือปี ประวัติศาสตร์เมื่อคนพิสูจน์ประวัติศาสตร์ไม่ หมด 2 3 สิงหาคมนี้อย่างแน่ รวมทั้งงบประมาณปี 58 ที่ 1 ตุลาคม 57 นี่เป็นปี 58 ได้ 2 ปีซ้อนไปเลยนะฮะนี่ เดือนนี้ต้องรู้เรื่องอย่างแน่นอนนี้ต้องรู้เรื่องอย่างแน่นอนค่ะๆ ทำอะไรก็ให้ ประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดในกรณีที่ต้องไม่ ทำให้ๆเกิด มีนโยบายมีคําสั่งเช่นการเก็บรวบรวมอาวุธสงครามทั้ง ไปล้อมตรวจค้นมุ่งเป้าไป นี่ขณะนี้บ้าน 14 หลังทํา 14 หลังพบว่าเป็นจริง 7 หลัง 28 กรกฎาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชสนาม ค่ายกีฬา 2 เนี่ย 28 นะครับจังหวัด 15,000 คนมากที่สุดคือ 4,000 คน 3,000 คนนะครับตอน จะ 30 วันด้วยกันวันนี้ทาง ได้คายเรื่องเศรษฐกิจพอ FM 90.25 MHz สวทนครพนม องค์ราชามวลประชาอยู่มาพลภัยเวลาอง 8 น. ถึง 8:30 น. น. น. ฟังเรื่องราวดีๆมี Hãy และหัวครับ